ช่วงนี้ช่วงนี้ก็มีคนป่วยอยู่เยอะนะก็ให้ถือว่าป่วยแต่ละครั้งนะมันเป็นบททดสอบบททดสอบว่าเราสามารถจะผ่านมันได้ด้วยสติ หรือด้วยปัญญาหรือเปล่าพูดถึงความอดทนนี่พวกเราก็คงจะอดทนกับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คงจะไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าลองฝึกลองถือเป็นโอกาสในการที่เราจะใช้สติในการ ในการที่จะผ่านนะความเจ็บป่วยนี้ให้ได้คือว่าเวลาป่วยเนี่ยมันป่วยแต่กายนะแต่ว่าลองฝึกดูว่าทำยังไงถึงจะไม่ป่วยที่ใจทุกที่กายอันนี้มันของแน่อยู่แล้ว แต่ทำอย่างไรถึงจะไม่ให้ทุกข์ที่ใจให้ถือเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกดูนะฝึกดูทั้งกายฝึกดูทั้งเวทนาฝึกดูทั้งจิต ด, ดูกายมันก็ก็คงเห็นนะว่าเวลาป่วยเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นการเต้นหัวใจไม่ว่าจะเป็นไข้ที่ขึ้นสูง ลองดูบ้างดูเวทนานะก็ดูได้เวทนาที่กายและเวทนาที่ใจมีไหมนะแล้วก็ดูที่จิตจิตมารู้สึกยังไงรู้สึกหดหูรู้สึกท้อแท้อยากจะผลักไสเกิดโทสะไม่พอใจความเจ็บป่วย อาจจะรวมถึงไม่พอใจอากาศที่มันทำให้ความโปวดของเรามันเพิ่มพูนขึ้นนะปวยอย่างเดียวนี่ดูได้ต้องสามอย่างนะดูกายดูเวทนาดูจิตนะยังไม่ต้องดูธรรมก็ได้กายเวทนาจิตธรรมนี่มันก็เป็น เป็นแบบทดสอบของการเจริญสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานก็มี4อย่างนะพิจารณาหรือดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเกิดความป่วยเกิดปวดหัวตัวร้อนนี่มันดูได้ทั้ง3อย่างเลยเห็นกายนะที่ป่วยเห็นเวทนาที่เกิดขึ้น เห็นอาการของจิตที่มันผักไสไม่พอใจหรือว่าหดหู่รู้สึกแย่ความรู้สึกหรือว่าอาการของใจนี่มันต่างกันทีเดียวนะเวลาป่วยกับเวลาไม่ป่วยเนี่ยเวลาไม่ป่วยก็แช่มชื่นเบิกบานมองอะไรก็สดใสแต่เวลาป่วยโดยเพพาะถ้าเกิดเวทนาขึ้นมาเนี่ มันทำให้เรามองอะไรนะหดหู่ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่มันเกิดอะไรขึ้นก็รู้นะไม่ต้องไปผลักไสมันนี่ถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าได้กำไรนะแต่ถ้าว่าเราเอาแต่ทุกข์เอาแต่เศร้าเอาแต่กังวลอย่างนี้เรียกว่าขาดทุน ป่วยแต่ละทีนี่อย่าให้มันขาดทุนจริงๆมันก็อาจจะเสียงานเสียการไปบ้างนะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นส่วนใหญ่ก็เสียอย่างอื่นด้วยคือเสียใจนะคือใจเสียกายก็เป็นทุกข์แล้วนะยังปล่อยให้ใจเป็นทุกข์อีกอันนี้เรียกว่าเสียสองต่อ แต่ถ้าเรามีสติดูนะอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันก็มีแต่กายที่ป่วยนะแต่ว่าใจเนี่ยไม่ป่วยตามด้วยถ้าทำอย่างนี้นี่นะก็เรียกว่าเสมอตัวนะหรืออาจจะเรียกว่าได้กำไรได้ซ้ำเพราะว่าทำให้สติเราเนี่ยเชี่ยวชาญชำนาญมากขึ้นในะการที่เราจะ ดูใจดูเวทนาเนี่ยบางทีมันก็ต้องเจอบททดสอบที่ไม่ค่อยเหมือนกับชีวิตปกติเท่าไหร่เพื่อว่าใจของเราจะได้เพื่อสติของเราจะได้ทันนะกับอาการที่เกิดขึ้นและบางทีเนี่ยนอกจากสติจะไวขึ้นแล้วเนี่ย ก็อาจจะเกิดปัญญาขึ้นด้วยนะป่วยแต่ละทีอาจารย์พุทธทาสบอกว่าป่วยแต่ละทะีป่วยทุกครั้งก็ให้ฉลาดทุกครั้งนะป่วยทุกครั้งก็ให้ฉลาดทุกครั้งฉลาดในที่นี้คืออะไรก็มีทั้งสติและปัญญาเพิ่มขึ้นได้เห็นตัวเองชัดว่าโอ้เวลาป่วยนี่เราเป็นอย่างไร ร่างกายมันเป็นอย่างไรจิตใจมันเป็นอย่างไรนะได้เห็นตัวเองชัดเจนขึ้นว่าเหล่านีนะ้ยังต้องฝึกกันอีกมากน้อยแค่ไหนถึงจะรู้สึกได้ว่ามันป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจที่จริงความป่วยนี่ยก็สอนเรามากกว่า น, นั้นนะคือสอนทม สอนเรื่องอนิจจังสอนเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารเราสามารถจะเห็นทมเรื่องความไม่เที่ยงหรือทมอันได้แก่ความอนิจจังหรือเปล่าได้เห็นไหมเรื่องทุกขงังเห็นไหมเรื่องอนัตตาความเจ็บป่วยทีเดียวนี่สอนทำมาให้กับเราทั้งสองปราประการนะ อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาร่างกายนี้มันก็เต็มไปด้วยนะเต็มไปด้วยโรคเรียกว่าเป็นดังของโรคออกมาทีละตัวสองตัวเหมือนกับสิ่งปฏิโกูลที่มันไหลออกมาตามร่างกายของเราตามทวารต่างๆในร่างกายที่ดูสวยนี้นะผิวพรรณผ่องใสหน้าสัมผัสแต่ว่าข้างในนี้ มันก็เต็มไปด้วยปฏิกูลที่จริงปฏิกูลมันก็ฉาบทาในส่วนนอกด้วยคือผิวหนังของเรานะมองไปดีๆมันก็เห็นเหงื่อเห็นเศษเห็นซากของหนังแห้งต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูก็จะเห็นว่าโอ้ยผิวที่ดูเรียบผิวที่ดูสวยนี่มันไม่สวยเลยแ้าความไม่งามนี่มันก็ มีอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละร่างกายที่ดูเหมือนงามนะมันก็มีความไม่งามนะทั้งข้างนอกและข้างในและในทานองเดียวกันร่างกายที่ดูเหมือนมีสุขภาพดีมันก็มีความเจ็บความป่วยนะซ่อนอยู่แล้วมันก็แสดงตัวออกมาเป็นระยะระยะ ในเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะบังคับให้มันเป็นไปตามใจเราก็ไม่ได้จะบังคับให้หายไวๆมันก็ไม่ยอมจะบังคับมาไม่ให้ปวดมันก็ปวดนะจะบังคับไม่ให้มีไข้มันก็มีไข้อันนี้มันก็สอนเรานะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไอนะ้ความไม่ใช่ของเรานี่ก็เรียกอีกอย่างนึงว่าอนัตตา ความเจ็บปวยมันก็สอรเราชัดๆตรงๆเลยนะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานะเปิดใจมองให้เห็นธรรมจากความเจ็บปวยบ้างอย่าเอาแต่จมอยู่ในความทุกข์อย่าเอาแต่กังวลว่าเมื่อไรจะหายหรือกังวลงานการที่ต้องเสียไปเพราะว่าเราต้องมานอนสอมล้มป่วย ถ้าใจมันจมอยู่ในความทุกข์นี้เขาเรียกว่าจิตไม่ว่างเมื่อจิตไม่ว่างเนี่ยจะเห็นธรรมมากก็ยากแต่พอเราปล่อยวางไอ้ความทุกข์ไม่ไปยุดติดความทุกข์เหล่านี้ไม่ปรปยุดติดกับความกังวลใจก็ว่างพอที่จะเห็นสัจธรรมเห็นความจริง เ, เกิดปัญญาขึ้นมา นั่นดูให้ดีนี่เวลาเจ็ป่วยแต่ละทีนะมันก็เป็นแบบฝึกหัดที่ทำให้เราเกิดทั้งสติและปัญญาสติเราจะทำงานได้ดีขึ้นจากการที่เราเจอความทุกเวลาสบายๆนี่สติมันก็ไม่ค่อยทางานเท่าไหร่นะคือเพลินหรือว่าประมาทแต่พอมีความทุกเกิดขึ้นเนี่ยจิตก็จะตื่นตัวสติก็จะ นะถูกปลุกให้มาทำงานเพราะถ้าสติไม่ทำงานนะจิตก็จะทุกข์ไม่ใช่แค่ทุกข์กายอย่างเดียวทุกข์ทางใจด้วยไม่มีใครอยากจะให้เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาทางระดมสติระดมปัญญามาใชนะ้ถ้าเอาสติมาใช้ให้เป็นนะเออมันก็เห็นนะว่า กายนี้มันปวดนะแต่ใจไม่ปวดก็ได้มีคนหนึ่งเขาปวดเป็นมะเร็งมากนะปวดที่ลำไส้ตอนนั้นนี่ไม่รู้ว่าเกิดห่างยาหรือว่ายานี่มันอเอาไม่อยู่ก็ไม่รู้ปวดมากเลยมาปวดมากไม่รู้ทํำยังไงเพลินเขาฝึกสติอยู่บ้างก็คงฝึกสติอยู่พอสมควร เขาก็เอ า, เอาส ต, ติเนี่ยนะมาดูใจเออมาดูกายนะเขาเขาพูดอย่างนี้ว่าเนี่ยส ต, ติมันดึงจิตมาอยู่ที่หัวไหล่แล้วก็มาดูกายไม่เห็นกายที่ปวดพอทําอย่างนี้เนี่ยจิตก็ไม่ปวดนะคล้ายๆกับว่าแยกออกมาแยกจิตออกมาจากกายคือแยกออกมาเป็นผู้ดูก็เห็นกายที่ปวดนะแต่ว่า เจ็ดไม่ปวดด้วยรู้สึกนิ่งได้แต่พอเผลอสติเจ็ดก็ไปรวมกับกายมันก็ปวดขึ้นมาก็คือไปยึดเอาความปวดของกายเนี่ยมาเป็นความทุกข์ของใจก็เลยปวดเราต้องสติได้อดึงออกมานะก็เห็นความปวดที่กายแต่ว่าใจเนี่ยนิ่งได้อันนี้ก็ ก็ถือว่าเขาสอบผ่านนะแล้วก็ทำให้เขาได้เกิดความรู้ขึ้นมาว่าเออสติมันก็ทำงานได้ดีนะถ้าเจอแบบนี้ทำได้แบบนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าสอบผ่านเรียกว่าได้กาไรก็คือได้เห็นว่าโอ้สติที่มันช่วยเราได้จริงจริงถ้าบางคนเขาก็เกิดปัญญาขึ้นมา จากความเจ็บความป่วยนี่แหละก็รู้ว่าสังขารนี่มันไม่เที่ยงนะนั้นต่อไปก็ไม่ประมาทบางคนก็เห็นขึ้นมาเลยว่าเอ้ยตอนที่เราไม่ป่วยเนี่ยมันแค่ไม่ป่วยอย่างเดียวนี้ก็ถือว่ามีความสุขแล้วนะก่อนหน้านนั้นเนี่ยไม่เคยรู้เลย ว, ว่าการที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยมันเป็นโชค มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งตอนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่ได้รู้เลยว่าอันนี้เป็นความสุ ข, สขกลับรู้สึกทุกข์โดยซ้ำพอคิดอยากได้นวนอยากได้นี้อยากได้โทรศัพท์อยากได้รถยนต์อยากได้เพชรนินจินดาอยากได้ตาแหน่งสูงๆและพอไม่ได้ก็ทุกข์ โดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยเพียงแค่ตัวเองเนี่ยไม่มีโรคภัยค่เจ็บเบียดเบียนนี่ก็ถือว่ามีความสุขแล้วไม่เห็นตรงนี้จกนกระทั่งพอป่วยขึ้นมาถึงรู้ว่าโอ้ไอ้ตอนที่เรามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยนี่แหละมันยอดแล้วนะไม่รู้จะไปเอาอะไรอีกปัญญาก็เกิดขึ้นได้นะว่าความสุขมันอยู่กับเราอยู่แล้วไปคิดว่าความสุขอยู่นอกตัวไปคิดไปไขวคว้ า, วาหาความสุข จากภายนอกทั้งๆ ท, ที่มันอยู่กับตัวเรามันอยู่ประจําตัวเราอยู่แล้วแต่ไม่เห็นมาเห็นอีกทีก็ตอนที่มันหลุดไปจากไปจากเรานะพอล้มป่วยขึ้นถึงก็เห็นว่าโอ้ตอนที่มีสุขภาพดีนี่เป็นความสุขเพฉะนั้นะพวกเราที่อยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ก็ให้รู้ว่าเนี่ยเรามีความสุขอยู่นะเนี่ยเห็นบ้างไหมตัวหนักบ้างหรือเปล่าเปิดใจนะเห็นความสุขตรงนี้ไหม แต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นพอใจนี่มันไปคิดถึงสิ่งที่เรายัางไม่มีคนเราเมื่อใดก็ตามที่คิดถึงถึงสิ่งที่ตัวไม่มีทุกทั้งนั้นแหละหรือว่าทุกเพอคิดถึงสิ่งที่เคยมีและตอนตอนนี้ไม่มีแล้วคนเรามันจะไม่จะทุกเพราะสองเหตุนี่แหละคือนึกถึงสิ่งที่เคยมีแต่เสียไปหรือไม่ก็นึกถึงสิ่งที่ยังไม่มีแล้วก็อยากได้ ไอสิ่งที่มีมันมีมากแค่ไหนไม่สนใจดีแค่ไหนก็ไม่สนใจแต่ว่าความเจ็บความป่วยนี่มันจะเตือนให้ให้มาเห็นความจริงตรงนี้นะมันมองให้ดีความเจ็บความป่วยนี่มีประโยชน์นะแลวขณะเดียวกันก็เป็นบททดสอบด้วยว่าเราผ่านไหมนะถ้าเราไม่ผ่านนี่ก็ไม่เป็นไรนะ ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเออต้องปรับปรุงตัวไม่ใช่ว่าพอพอหายแล้วเนี่ยลืมไปเลยกลับมาสนุกกลับมาเพลิดเพลินประมาทเหมือนเดิมให้รู้ว่าเนี่ยคือบททดสอบและมันจะมีมาเรื่อยๆนะมันจะมีมาเรื่อยๆเพราะว่าสังขารร่างกายเนี่ยมันเป็นรังของโรค มันก็จะปล่อยออกมาเรื่อยๆนะอาจจะไม่ถี่อาจจะไม่บ่อยมันก็การที่เราปล่อยของเสียออกมาจากทวารต่างๆนะแต้วความเจ็บความป่วยมันก็จะออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถึงครั้งสุดท้ายเนี่ยนะมันจะมีตัวพ่อออกมาความเจ็บปวยแบบตัวพ่อเลยอันนั้นแหละเป็นครั้งสุดท้ายที่จะต้องเจอ และหลังจากนั้นก็หมดลมคนเราก่อนจะตายนี่ต้องเจอความเจ็บป่วยที่รุนแรงมากอันนี้ไม่นับถึงคนที่เกิดอุบัติเหตุหรือเมียนเป็นไปแบบฉับพลันลคนส่วนใหญ่ประมาณ 90% ซนะจะต้องเจอบททดสอบครั้งสุดท้ายที่รุนแรงมากคือความเจ็บป่วยที่ที่ถึงตาย ไม่ว่าจะอายุยืนแค่ไหนก็ต้องเจอหนีไม่พ้นเรื่นี้มันก็มี4ี่โรคใหญ่ๆที่คนเป็นกันเยอะนะโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคายโรคหลอดเลือดสมองอาจจะมีเบาหวานเข้ามาด้วยอันนี้เป็นโรคใหญ่ๆนะที่ทำให้คนต้องตาย ประมาณ 90% นะก็จะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่ค่อนข้างจะยืดเยื้อนะไม่ใช่ตายแบบ ป, ปัจจุบันทันด่วนจากอุบัติเหตุหรือโรคหัวใจวายนเราก็มีโอกาสนะที่จะต้องเจอกับบททดสอบครั้งสุดท้ายเราจะผ่านมันได้อย่างไรโดยที่ใจไม่ทุกข์มากโดยที่ไม่ทุรนทุรายไม่กระสับกระส่าย นะเคยเตรียมใจบ้างหรือเปล่าว่าเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยเราจะรับมือกับมันได้แม้ว่ากายจะทุกทรมานแค่ไหนแต่ว่าใจนี่ไม่ทุกมไม่กระสับกระส่ายมันยากนะถึงแม้ว่าจะมีหมอที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะมีเครื่องคราที่ดีที่สุดหรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลที่ดีที่สุด มันก็ไม่ช่วยเลยถ้าเกิดว่าใจเราเนี่ยไม่ได้ฝึกเอาไว้ก่อนแล้วเราจะฝึกได้อย่างไรก็ฝึกจากความเจ็บความป่วยที่มันทยอยมาหาเราเป็นระยะระยะนั่นแหละคือบททดสอบถ้าเกิดว่าเราสอบตกอา่าไม่เป็นไรเตรียมตัวฝึกกันใหม่สอบตกอีกทีอา่าไม่เป็นไรฝึก ปรับปรุงตัวใหม่ถ้าเจออย่างเงี้ยเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆแล้วก็ถือว่ามันเป็นบททดสอบในที่สุดก็จะผ่านมันได้ต่อมาต่อมาพอป่วยแล้วก็เอิมก็ป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วยถ้าทำางี้ได้เนี่ยก็ก็เรียกว่าพอจะพอจะมีต้นทุนนะ ในการทดสอบครั้งสุดท้ายรับมือกับการทดสอบครั้งสุดท้ายเราก็จะมีโอกาสที่จะผ่านมันไปด้วยดีแต่ถ้าไม่สนใจเลยไม่สนใจไม่คิดเลยว่าความเจ็บป่วยแต่ละครั้งเป็นบททดสอบป่วยทุกทีก็ทุกทุกทีหรือป่วยทุกทีก็โง่ทุกทีอันนี้ก็เตรียมใจได้เลยว่าพอถึงบททดสอบครั้งสุดท้ายก็ ก็จะทุรนทุลายสอบตกอีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะบททดสอบก่อนหน้านี้มันแก้ตัวได้นะนะป่วยครั้งนี้ยังทุกทรมานอยู่ทุกใจแล้วก็ทรมานาทุกกายแล้วก็ทรมานใจนะก็ยังแก้ตัวได้ ฝึกสติให้ดีขึ้นพอเจอใหม่อ่าก็สู้กับมันเอาสติเอาปัญญามาใช้สอบตกอีกอ่าไม่เป็นไรยังสอบยังแก้ตัวใหม่ได้แต่ถ้าเจอบททดสอบขั้งสุดท้ายนี้ถ้าถ้าตกนี้ก็แก้ตัวไม่ได้แล้วนะไม่รู้จะไปอยู่ไหนไม่รู้จะไปอยู่อบียภูมิไหน นะเพราะว่าถ้าเกิดเจ็บมันเป็นอกุศลถูกทุกขเวทนาบีตคั้นจิตเกิดอกุศลขึ้นมากระสับกระส่ายทุรนทุรายนะพอหมดลมก็ไม่รู้ไปไหนอาจจะไปอาบายก็ได้ยิ่งถ้าเกิดโทสะเกิดโทสะต่อร่างกายนี้ว่ามันทำไมเจ็บปวดอย่างนี้เกิดโทสะต่อผู้คนรอบข้างที่ ไม่สามารถช่วยเราได้มันก็จะทำให้ไปอบายได้ไม่มีทางแก้ตัวงั้นถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะาการความเจ็บป่วยแต่ละครั้งแต่ละครั้งถือว่าเป็นของดีนะเพราะว่ามันทำให้เรามีโอกาสทดสอบมีโอกาสได้ ทดสอบว่าเราได้ใช้ว่าเรามีสติพอเพียงกับการรับมือกับความเจ็บป่วยหรือเปล่าเราให้คะแนนตัวเองได้นะทดสอบป่วยแต่ละครั้งเนี่ยลองให้คะแนนตัวเองว่าสอบผ่านหรือเปล่านะสอบไม่ผ่านก็ต้องนะตั้งใจให้มากขึ้นทำความเพียรให้มากขึ้นนะ จริงเวลาเราเจ็บเวลาเราป่วยเนี่ยนะมันไม่ไม่จะเป็นว่าต้องต้องทุกไปด้วยนะความป่วยเป็นเรื่องของกายมันก็มีแต่กายที่ทุกข์แต่เป็นเพราะวางใจไม่เป็นจิตก็เลยรู้สึกทรมานนะทุกข์กับทรมานไม่เหมือนกันนะทุกข์เป็นเรื่องของใจทุกข์เป็นเรื่องของกายนะแต่ทรมานนี่เป็นเรื่องของใจ ทุกกายนะแต่ว่าใจไม่ทรมานนีอันนี้ลองฝึกให้ได้ได้รู้ว่าถ้าเกิดว่ามีความทุกข์ใจเนี่ยหรือทรมานใจเนี่ยก็อย่าไปมองนะว่าเป็นเป็นเพราะโรคเนี่ยมันทําให้เป็นอย่างนี้แต่มันเป็นเพราะความหลงเป็นเพราะความลืม ต่างห่างที่ทำใหนะ้ใจมันทุกข์ใจมันทรมานความทุกข์ก็เป็นเรื่องของกายแต่เพราะใจมันเผลอไปยึดเอาความปวดของกายมาเป็นความทุกข์ของใจ <_ Q> ก็เลยเกิดความรู้สึก ข, ขึ้นมาว่านะ กูทุกข์กูทุกข์กูปวดกูปวดไอ้ความความเผลมความหลงนี่มันทำให้เกิดการปรุงขึ้นมานะปรุงตัวกูขึ้นมามาเป็นเจ้าของความเจ็บความปวดเกิดความรู้สึกว่ากูปวดกูทุกข์นะไอ้ตรงนี้แหละที่มันทําให้เกิดความทุกข์ตามมา ถ้าำพังเนี่ยป่วยกายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ทำให้มันไม่ได้แปลว่าต้องทุกข์ใจด้วยแต่เพราะความเผลอเป็นเพราะความหลงหรือจะเรียกว่าความลืมตัวขาดสติก็ได้มันก็ทำให้ความปวดเนี่ยาการมาเป็นของใจไปใจปวด เกิดเป็นตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ปวดผู้ทุกข์เนี่ยงันเรจะไปโทษจะไปโทษโรคภัยแค่เจ็บทีเดียวก็ไม่ได้นะที่ทําให้ให้รู้สึกทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าคนที่เขาปว่วยแต่กายแต่ใจไม่ปวดใจไม่ทุกข์ก็มีเพราะเขามีสติเงั้นจะไปโทษอย่าไปโทษ นะความอย่าไปโทษโครคภัยไข้เจ็บอย่าไปโทษไอ้ก้อนมะเร็งหรืออย่าไปโทษเชื้อทีเดียวจะโทษได้ว่ามันทำให้กายป่วยอันนี้โทษได้แต่ว่าถ้าจะพูดว่ามันทำให้ฉันทุกข์มันทำให้ฉันทรมานนี้อันนี้ไม่ใช่อะไรให้ความไม่มีสติความหลงตังหากที่ทำให้ให้ทุกข์ขึ้นมา และความหลงเนี่ยมันมันก็เป็นอนัตตานะมันก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราสั่งให้มันหายหลงทำสั่งให้มันอไม่เผลอก็ไม่ได้ความหลงนี่มันก็เป็นอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็ทําให้ทุกตามมานม้จะเรียกว่าความทุกข์ใจนี่ไม่มีใครทําให้ก็ได้นะความทุกข์ใจไม่มีใครทําให้ ไม่ใช่เป็นเพราะโรคไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่ใช่เป็นเพราะใครแต่มันเป็นเพราะความหลงที่จริงก็รวมถึงความทุกอย่างอื่นด้วยนะ <c oughs> ไม่ใช่แต่เฉพาะความทุกข์กใจนะที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บความทุกอย่างอื่นก็เหมือนกันความทุกข์เพราะของหายความทุกข์เพราะาพัดพลากสูญเสียความทุกข์เพราะถูกตำหนิถูกวิจารณ์ เรียกว่าความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยจะว่าไปแล้วนี่มันก็ไม่มีใครทําให้นะเคยมีคนถามพระไศรย์ฤาษีว่าทุกข์เกิดจากอะไรข้อที่หนึ่งทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นทําให้ใช่ไหมหรือสองทุกข์เป็นสิ่งที่เราทําเองใช่ไหมสามทุกข์เป็นสิ่งที่เราทําเองด้วยคนอื่นทําให้ด้วย หรือสี่ทุกเป็นสิ่งที่คนอื่นทำให้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทำเองก็ไม่ใช่ก็ถามพระสายิบุตรว่าข้อไหนนะเราลองตอบสิว่าข้อไหนนะทุกเป็นสิ่งที่คนอื่นทำให้หรือทุกเป็นสิ่งที่เราทำเองหรือว่าทุกเป็นสิ่งที่คนอื่นทำให้บ้างเราทาเองบ้าง หรือว่าทุกเป็นสิ่งที่คนอื่นทําให้ก็ไม่ใช่เราทําเองก็ไม่ใช่ข้อไหนถ้าตอบข้อใดข้อหนึ่งนี่ก็ผิดนะพระไตรลืบุตรตอบว่าทุกไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครทําหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทําแต่ทุกเป็นเพราะเกิดตุกทุกเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วท่านก็อธิบายว่าเนี่ยเมื่อเกิดผัสสะแล้ว ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานเสร็จแล้วก็เกิดภพชาติชร า, ามรณนะนะแล้วเกิดทุกข์ขึ้นม า, านท่านอธิบายไว้เนี่ยพูดง่ายคือว่าทุกข์เกิดจากเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของไข่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราไม่ใช่เป็นเรื่องของไข่แต่เป็นเหตุปัจจัยเริ่มแต่เมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาแล้วแล้วมีเวทนานะีมันก็ปรุงไปจนกระทั่งเกิด ทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนั่นเองหรือพูดง่ายๆคือว่านะนะทุกข์มันเกิดขึ้นเมื่อผัสสะเมื่อเกิดผัสสะแล้วไม่มีสติเมื่อเกิดผัสสะแล้วไม่มีสติมันก็บุงต่อไปเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติฉรามรณะแล้วนะครนี้แหะทุกข์เลย ถ, ถ้าท่านอธิบายว่าเนี่ยจริงแล้วทุกนี้ไม่ใช่มีใครทำให้แล้วก็ไม่ใช่เกิดจากเราทำเองนะแต่มันเกิดจากไม่มีสติเมื่อผัสสะเกิดขึ้ น, น <c oughs> เป็นเรื่องสภาวะธรรมล้วนๆนนอันนี้เป็นการมองสาเหตุแห่งทุกข์โดยไม่มีตัวคน ไม่มีตัวกูไม่มีใครท้เรายัมอมีมีคนโน้นมีคนนี้ทําให้เราทุกข์นี่แสดงมันยังไม่ถูกนะนะความทุกข์ก็เป็นสภาวธรรมที่เกิดจากสภาวธรรมอื่นๆมาทําให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นการเป็นการอธิบายนะแบบตรงประเด็นที่สุดนะทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไม่มีสติ เมื Valerie, come, ่อผ <Right. S 1> we so ัสสะเกิดขึ้นะนั้นเพราะนั้นเวลาเราเจ็บเราป่วยแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็ให้รู้ว่ามันไม่ใช่ใครมันไม่ใช่โลกนะทำให้แต่มันเพราะเพราะความหลงเพราะความไม่มีสติเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้ไม่มียาที่ไหนรักษาได้ มันมีอย่างเดียวเียงแช่วยได้คือสติแล้วก็ปัญญาสติทาให้ไม่เผลอปัญญาทาให้ไม่หลงนะั่นเวลามันทุกข์มันก็แค่ทุกข์กายแต่ว่าไม่ทุกข์ใจนะเพราะว่าไม่มีสะพานเชื่อมจากความทุกข์กายมาสู่ความทุกข์ใจได้เนี่ยมันต้องมีสะพพานเชื่อมนั่นคือความหลงนั่นคือการปรุงแต่ง ถ้าไม่มีความปรุงแต่งไม่มีสะพานเชื่อมมันก็ข้ามมาไม่ได้นะเหมือนข้าศึกษัตรูตนี้มันจะข้ามเข้ามาสู่ปราสาทได้เนี่ยมันจะเข้า ม, มาสู่ปราสาทได้มันต้องข้ามสะพานมาก่อนนึกภาพปราสาทสมัยก่อนนี่มันก็ต้องมีคูน้ำนะจะเข้า ม, มาสู่ประตูเมืองได้ก็ต้องข้ามคูข้ามข้ามคลองเข้ามาก็ต้องมีสะพาน ความทุกข์กายจะเข้ามาสู่จิตใจทําให้เกิดความทุกข์ใจได้เนี่ยมันต้องข้ามสะพานสะพานนะั่นคือความหลงหรือการปรุงแต่งแต่ถ้าไม่หลงไม่ปรุงแต่งก็มือนก็ชั ก, ชกสะพานออกมันก็เข้ามาไม่ได้ก็คือได้แต่ทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจใจไม่ทรมานนี่ถ้าเรานะอยากจะอยาจะ รับมือความเจ็บความป่วยแล้วก็ต้องฝึกให้มีสติให้มีปัญญามันจะได้ทำให้ทุกใจไม่ได้แล้วจะฝึกที่ไหนก็ฝึกกับความเจ็บความป่วยนี่แหละนะสอบตกครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เป็นไรแต่ขอให้ฉลาดนะขอให้รู้ว่าพลาดที่ตรงไหนสอบทุกครั้งนะต้องต้องได้คะแนนดีกว่าเดิม สอบทุกครั้งต้องได้คะแนนดีกว่าเดิมอันนี้ถึงเรียกว่าได้กําไรยังนะให้เราถือว่าที่เจ็บที่ป่วยนี่ เ, เป็นของดีนะมันเป็นแบบฝึกหัดให้เราได้ทดสอบแล้วก็ได้ให้คะแนนตัวเองว่าเรานะมีวิชาความรู้แค่ไหนแล้วจะต้องฝึกอีกมากน้อยแค่ไหนอ่ะเราก็พูดกันท่านนี้คำนี้อ่ะกลับมาพร้อมกัน